นะโมตัสสะโพกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโพกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโพกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนัมัสสามิบัตินี้จักได้แสดงธรรมกถาเสือต่อไป จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเขารเบเถิด10ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระพุทธภาสิท ธ, ทธะโสจติเปจโสจติาปาปการีอุปยัตะโสจติโสโสจติโสวิหัญยติทิทวากัมมะกิริทัมั ต, ตโน ความว่าผู้ทาบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกและโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนอธิบายความบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อโลกหน้า ชีวิตและกรรมย่อมชิดสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วแล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็นบางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มากแต่ เรื่องทานองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจตราบนั้นเพราะเขาไม่อาจมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั่นให้ตลอดปลอดโปร่งย่อมยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรม เพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอการจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟน้นต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโคต้องไปด้วยกันอยู่เสมอฉันใดกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุข คนทำบาปไว้ ย, ย่อมทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้พระศาสดาจึงส่งเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กําไรไม่ขาดทุน และทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลําลตัวลงไปในก ร, รมชั่วหนักๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วหากชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทะสูกริกเป็นต้นเรื่องประกอบนายจุนทะสูกริก น, นายชนทะมีชื่อต่อท้ายว่าสุกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชครืประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึงห้าบห้าปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเกวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมูบรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนล้อมเข้าคอกข้างหลังคอก ปูกผักไว้ให้หมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจาระบ้างอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นวงเล็บให้บวมแล้วง้างปากสอดไม้เข้าไปในช่องฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยทานานโลหะ น้ำร้อนเข้าไปเดือดพ่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้นเขาจะเอาดาบคมตัดที่ศีรษะเอาภาชนะรองเลือดเอาเลือดคลุกเค้ากับเนื้อแล้วปิ้งนั่งรับประทานกับบุตรภรรยา เขาเลี้ยงชีพโดยทานองนี้อยู่ถึง55ปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณนะเวรุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทะสุกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำดอกไม้เพียงกํามือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาเขาเร่าร้อนจากเวจีมหาน ร, รกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว ท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยยธได้สมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความเร้าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยยธโดยรอบและมีอยู่ตลอดการความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเษนเถระกล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้ามิลินว่า มหาบ่อผิดแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไวาอำนาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเราร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนทะสูกริษเป็นอันมากอาการที่เหมาะสมแก่กรรมที่เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูกรานไปมาอยู่ทั่วเรือน คนในเรือนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นจับเขาไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนครานสี่ขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะหนวกหูเสียงของเขาบุตรภรรยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอก จุนทะสูกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่วตลอดเจ็ดวันพอวันที่8จุนทะสูกริกก็ทำกาละคือตายภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวรวุวันเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทะสูกริกปิดประตูเรือนข้าสุกรมาเจ็ดวันแล้วเขาคงทางานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาไม่มีเมตตาจิตหรือความกรุณาต่อสัตว์เลยแม้เพียงเล็กน้อยผู้หยาบช้าร้ายกาจอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยเพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเบาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทะสูกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึงเจ็วันวันนี้วงเล็บวันที่8 ทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหดารกแล้วข้าแต่พระองค์นายจุนทะสูกริศต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันตนเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือคราหัดก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทําบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง คืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกและโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหววระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็ผันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมองชักนำไปสู่ทุกขติใจผ่องใสนาไปสู่สุขติจึงควรทาใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดี สิผู้บันเทิงในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอิธัโมทติเปรจโมทติกะตะปุญโยอุภยตตะโมทติโสโมทติโสประโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมั ต, ตโน่ความว่าผู้ใดทําบุญไว้ ย, ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้า เขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนอธิบายความบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแสมชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขไม่หวนเสียดา ย, ายทยธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดี แทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีซะแล้วย่อมขยังต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาะความสโปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง คือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นทรมิกาอุบาสกเรื่องประกอบทรมิกาอุบาสกทำมิกาอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทําบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลา ก, กพัดวงเล็บออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขีกพัด คืออาหารที่ถวายทุก15้าวันสังฆพัฒอาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆุโปโสถิกพัฒถวายอาหารในวันอุโบสถอาคันตุกพัฒอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวัดสาวาสิกพัฒอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาทำมิกอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม มีความยินดีในการจำแนกแจกทานด้วยประการชนีต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ทรงภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสกขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสก สติปทานสูตรเห็นจำเมาพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปฐานสูตรว่าเอกายโนโอายังพิกาเวมัคโคสัตานังวิสุธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้น เทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ทำเอกอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบรธิดาของอุบาสกก็ร้องให้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ ท, ทั้งทั้งที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณะภัยโอหนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องให้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายทำให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องให้อยู่ พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพูดบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสาหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อ ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกลๆเอาพวงมาลัยมาแล้วทารรมิฆะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนน่ารื่นรมลูกลูกตอบว่าชั้นดุสิตและดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายทามิฆะอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเสียงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องลด ที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นแต่พวงดอกไม้เท่านั้นแต่หาเห็นรถไม่ทำให้เกวบาศกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลย หากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทําบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วทำมิอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวันารามพระาศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาตในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นครือหัดก็ตาม เป็นบันพะชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไวย้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิ12ผู้ต้องเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคือเดือดร้อนในโลกทั้งสองพระพุทธภาสิทธ อิทตปติเปจตปติ ป, ต ป, าปาปการีอุพยัตตปติ ป, ตปาปังเมกตันติตปติพิโยตปติทุกติงคโตคําแปลความว่าผู้ทําบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทําบาปไว้และเมื่อไปทุกติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้น อธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับในข้อ1 0บถึงสิเพราะกล่าวถึงผู้ทําบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้ามคนไม่ได้ทําบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทําทุจริตไว้ยหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทําสุจริตหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่าความรักสำหรับคนทำชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทาหรือไม่ได้ทาแต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทาส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุจริตไว้นั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไร้ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของ คนได้ดีเท่ากับการระลึกถึงความดีที่ตนกระทา ม, มันให้ความรู้สึกเอบอบาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซับภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทาไว้ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม หลังจากตายไปก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแก่ความสุขปัจจุบันมากเกินไป <S <S เรื่องประกอบพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกริยวง์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐภพาดาของพระนางยโสธรามานดาพระราหุล พระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปพุทธแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบินลพัทตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารมักปรากฏที่กบินลพัททั้งสิ้นเมื่อพระสิทธะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบินลพัทโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกขวัญวดตามเสด็จพระบรมมสาสดาแต่มีพระราชกุมาร หกพระองค์มิได้ผนวดคือพระพัฏิยกุมารอนุรุทธะอนันทะพรคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกๆของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากยะทั้งหกนี้ชะรอยจะไม่ใช่ญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงมิได้บวชตามเสด็จเสียงที่ทำให้เท้ามหานาม เษฐพาดาของพระอนุรุธทธะไม่สบายพระไทยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุธทธะว่าในพวกเราสองคนนี้ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุธทธะจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุธเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของฆราวาสอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมารดาขออนุญาตบวช พระมารดาทรงห้ามถึงสครั้งก็ยังสงยืนยันการบวชอยู่พระมารดาจึงว่าหากพัทยราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุษจึงไปหาพัทยาอ้อนวอนอยู่ถึงเจวันพัทยราชจึงยอมรับคําว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมารหพระองค์ด้วยกันคือพัทยะอนุรุอานันทะพระคุกิมพิละและเทวทัต รวมอุบาลีภูษามาราเข้าอีกหนึ่งเป็นเจก่อนออกบวชได้เสวยมหาสมบัติ7็วันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งเทวดาเสวยทิพยสมบัติแล้วเสด็จพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาดุดเสด็จไปพระราชุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ส่งจตุรงคินีเสนากลับราชกุมารทั้ง6พระองค์ได้เปื่องพัตราภร ของตนห่อแล้วสั่งให้อุบารีนายภูษามาลาและช่างกระบกพรางกล่าวว่าอุบารีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไปอุบารีกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกมุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคําสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไป เมื่อพระราชกุมารทั้งหกและอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกสากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราโปร่งพระชนพระราชกุมารและยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งสากยะทั้งหนี้ ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่าหากเรารับพัตราภรณ์อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนดื่มก้อนเขละอันผู้อื่นถมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้หอออกเอาพัตราภรณ์แขวนไว้บนกิ่งไม้พรางกล่าวว่าผู้ต้องการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้วกลับไปหาพระราชกุ ม, มารทั้งหเล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุ ม, มารเหล่านั้นทรงทราบ พระราชะกุมารก็รับไปด้วยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณนะอนุปิยอัมภวันแห่งอนุปิยนิคมของพวกมันละกษัตริายากุมารทั้ง6พระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสากยะมีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้วงเล็บคืออุบาลี เป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ได้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทาสามีจิตกรรมแก่เขามีการลุกรับและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักสา่งสิ้นไปพระศาสดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้นจึงให้สากยกุ ม, มารทั้งหกได้ทรงประหนด บรรดาท่านทั้งหกนั้นพัทิยะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ประกอบด้วยวิชาสามภายในภรษานั่นเองท่านพระอนุรุธได้จักษุทิพต่อมาภายหลังได้สดับมหาปุริสวิตกสูตรได้บรรลุพระอารหัตผลส่วนพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปฏิผลพระภคุและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสสนาบนรรลุพระอารหัตผล ส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิ์ปุตุชนวงเล็บหมายความว่าได้ฤทธิ์หลายอย่างแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่ต่อมาพระศ า, ศาสดาเสด็จสุโกสัมผีนครประชาชนได้ความเลื่อมใสในพระรัตนะไตรเป็นอย่างยิ่งเพราะความเลื่อมใสนั้นลาบสการะจึงเกิดขึ้นแก่พระตถาคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่า พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัศปะพระพัติยะพระอนุรุตพระอนนท์พระพักุพระกิมพิระอยู่ที่ไหนดังนี้แล้วเที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสสิติมหาสาวกนอื่นแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มี พระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสากยักุมานทั้งหลายมีพระพัติยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นกัตติยะบรรปชิตเราก็เป็นคัตติยะบรรพชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทําให้ใครหนอเลื่อมใสแล้วได้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นพระเทวทัต คิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะท่านได้บรรลุโสดาปติผลเสียจแล้วตั้งแต่พระศาสด า, สดาสเสด็จกรุงราชส ค, ครั้งแรกพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระธรรมก็ได้แต่พระราชกุมาอาชาติสัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษ เมื่อสมคบกับพระราชกุมาร น, นั้นเกลียกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพักพวกเป็นกำลังย่างลาบสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระาศาสดาประทับในเขตกบินลพัทหรือเขตเทวทหะ ก็จะน่าสงสัยมากว่าเหตุไรพระยาตั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลยที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทำสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาบสการะ แต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรยอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทากรรมอันหนักต่างๆกับพระศาสดาได้หลายอย่างและคงมีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านได้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพระพุทธเจ้ามานมนานนักหนา ตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อพระเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะเกลี้ยกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวกดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกลุ่มโกสัมผีมุ่งสู่ราชฤนิลมิตรเพศเป็นกุมาร น, น้อยพันอสรพิษสี่ตัวคือที่มือ และที่เท้าหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทำเป็นเทิดไว้ท่งบนศีรษะอีกตัวหนึ่งทำเสวียงบาลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศตูราชกุมารเมื่อพระราชกุมารทรงกลัวตัดถามว่าท่านเป็นใครจึงทูนตอบว่าอาตามาภาพคือพระเทวทัต เพื่อบรรเทาความกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังฆาติบาทและจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารประเลาประโลมด้วยวาจาต่างๆจนพระราชกุมาลเลื่อมใส ร, รับเป็นอุปถากอุปถัมบำรุงด้วยปัจจัยสี่พระเทวทัตยังลาบสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัต อุดมด้วยลาบสการะและปัจจัยสี่อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาบสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์อีกคิดว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ฤทธิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันที<ม>พระศาสดาสเสด็จจากโกสัมพีราชคฤ ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากําลังทรงแสดงธรรมอยู่ทถ้ำกลางบริษัท4แม้พระราชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั้นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชรามากแล้วขอจงทรงขวัญขวายน้อยอยู่เป็นสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม่อมชั้นจักบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระ บริหารคณะสงฆ์ให้แก่หม่อมชั้นเถิดเราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระปุตุชนอยู่จะปกครองพระอรหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตทำให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปได้พระศาสด า, าตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์กอดเถิด การปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธอยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตัดให้พระเทวทัตละลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเขลาสิ ก, กวัฒะว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจติดอยู่ในลาบสการะและชื่อเสียง ภูราบสการะครอบงำทำให้จิตมืดบอดเทวทัตเออยันราบสการะเป็นตนนั้นเป็นดุจเขละที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถมทิ้งแล้วเธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือราบและปัจจัยสี่เห็นปั่นนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แรลอันท่านเรียกว่าเคลาสิกวาทะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมาก ผูกอาฆาตในพระศาสดาเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตกระทําอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นว่าปล่อยไว้ความเสื่อมจักลามปามมาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทําประกาศนียกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชครื้ว่า การใดอันพระเทวทัตทําแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมความว่าพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่าบัดนี้เราถูกพระสมณโคดมตัดขาดแล้วกำจัดเสียแล้วเราจะทําความพินาศแก่พระสมณโคดมนั้นให้จงได้ดังนี้ แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลยุยงว่าราชกุมารเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะพึงที่วงคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอพระองค์จงรีบปรองพระชนพระราชาแล้วขึ้นสวยรค์ราษเองส่วนอัตมภาพจะปรองพระชนพระสมณโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกัน พระองค์จะได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักรอาตมภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนาจักความพยายามในเรื่องให้อาชาติศัตรูและสุคแมนปรองพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสําเร็จอาชาติศัตรูกุมารได้ขึ้นครองราชการอุปถัมบํารุงพระเทวทัตและปริวานเป็นไปอย่างสม่ําเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูจํานวนหนึ่งเพื่อปรองพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระศ า, าสดาขอบวชและบรรุโสดาปฏิผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดำเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิดกูรแล้วกลิ้งศิลาลงมาในขณะพระศ า, าสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสะเก็ดหินกระเด็นมากระทบพระบาทของพระศ า, าสดาทำให้พระโลหิตห่อได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้น พระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนักจึงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทำลายพระาศาสดาขณะออกบินทบบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระาศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาช้างไม่ทำอันตรายพระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคารพเลื่อมใส คราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าก็ตามการกลิ้งศิลาจากภูเขากิชกูดก็ตามการปล่อยช้างนาลาคิรีก็ตามเป็นการกระทาของพระเทวทัตทั้งสิน้นแม้การปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุยงของพระเทวทัตเหมือนกันทาไมหนอพระราชาจึงทรงคบคนชั่วถึงป่านนี้ พระเจ้าชาติศัตรูทรงสดับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระไทยเกรงราชบันลังจะไม่มั่นคงหากคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บำรุงคือไม่ยอมไปมาหาสู่ทายธรรมปัจจญาลาบที่เคยถวายห้าร้อยสำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชน ประสงค์จะเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของภิกษุคือหนึ่งขอให้ภิกษุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผักสองขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิต 3. ขอให้ภิกษุถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวาย 4. ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบินธบาดมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวาย 5. ขอให้ภิกษุอยู่โคลนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบงังพระศาสดาไม่ทรงอำหนวยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำก็จงทำเถิดเราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทำอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญัติ พระเทวทัตได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่ผลทุกข์ขอผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุบางพวกบทใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าความจริงพระเทวทัตคงได้ทูนขอเรื่องทั้งห้านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ขอด้วยต้องการจะอวดเคร่งเพื่อให้ได้ลาบและได้ความนับถือเท่านั้น เมื่อได้ภิกษุใหม่ประมาณ500รูปเป็นบริวารแล้วก็เที่ยวขอปัจจัยจากสาวบ้านมาบริโภคและคิดทำลายสง์ผู้สามัคคีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสง์หรือจริงพระเจ้าค่าพระเทวทัตทูลรับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทำลายสงเลยเพราะการทำลายสงเป็นโทษหนัก แม้พระศาสดาส่งเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่เช้าวันหนึ่งพบพระอานนท์ซึ่งบิณทบาทอยู่ในกรุงราชฤกษ์ได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะทําอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระศาสดาพระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้สงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตรกว่า เทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้มกไม้ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อความย่อยยับแก่สัตวโลกรวมทั้งเทวโลกด้วยเป็นดังนี้แล้วตรัสย้ำว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิ่งทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยาก กรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่พระอริยเจ้าไม่ทำเลยพระเทวทัตได้ภิกษุใหม่ชาววชีห้าร้อยรูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุห้าประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศีษะในเขตแคว้นมคตนั่นเองพระศาสดาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรงจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงบรรลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้งได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอรหัสาวกทั้งสองเลื่อมใสในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมเทศนา เมื่อพระอรหัสาวกพาภิกษุห้ารอรูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพรางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรโมคคัลลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมคคัลลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอํานาจของความปรารถนาชั่วดังนี้แล้ว ด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอราัสสาวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุห0 0งามยิ่งนักจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเมื่อไปไปเพียงสองเท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมบริวารเป็นอันมากงามเหลือเกินพระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็เคยเป็นอย่างนี้แลเหมือนกันดังนี้แล้วตัดข้อความในลัคณะชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันฐานจงดูเถิดเนื้อชื่อลัคนะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาต ส่วนเนื้อชื่อกาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัตให้พระสองรูปนั่งข้างทั้งสองเป็นธรรมนองอัครส า, าวกแล้วกล่าวว่าเราจักแสดงทมด้วยพุทธลีลาทากิริยาตามอย่างพระธถาคตเจ้าพระาศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ทาอย่างนี้แล้วเหมือนกัน แต่ไม่สามารถทำได้ดังนี้แล้วตรัดนทีจะระกากชาดกหรือวีรกชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่ออวิทธกะไหมนกนั้นเสียงเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงเขาเป็นผัวเมียกันวงเล็บวีรกะตอบว่านกสวิทธกะถูกสาลายันคอตายเสียแล้วเพราะวงเล็บตัวไม่ได้เป็นนกทะเล ทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้าและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระาศาสดาทรงปรารพระเทวทัตตรศาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทัคระกชาดกวิโลจนะชาดกสวะส ก, กุณชาดกกุรังคมิฆชาดกและอุปภโตพัฒชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระาศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชฤท์สุนครสาถี ราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับณเศตวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระอักเลือดและความเสียใจที่พระอรหัสสาวกทั้งสองมาพาภิกษุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึงเก้าเดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทาผิดว้ในภษาสดามาก จึงอยากจะเข้าเฝ้าขอร้องให้สิทธิ์หามไปเฝ้าสาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้ประพฤตินตนเป็นคนมีเวรกับพระาศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระาศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าไม่ พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้แต่เท่าปลายขนจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระอริทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในขนแม่นธนูพระเทวทัตโจรองคุริมานช้างนาลาคีรีและแม้ในพระราหุลคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกที่รักผักที่ชังประการใดเลย เมื่อพระเทวทัต S อ้อนวอนมากขึ้นสิทธ์ก็พร้อมใจกันหาพระเทวทัต S ออกจากขยาศีษะไปเฝ้าพระาศาสดาณเมืองสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทราบข่าวนั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระาศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นเราอีกท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุ5ประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระาศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดา เมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางภิกษุทั้งหลาย <c oughs> ก็กราบทูลพระศ า, าสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าเทวทัตจะมาถึงไหนจะทําอย่างไรก็ตามเรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเ <c oughs> มื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยอดเดียว บัดนี้กึ่งโยดบัดนี้พระเทวทัตมาถึงสะโบกรณีหน้าวัดเฉตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเฉตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราพวกสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียงรงริมสะโบครณีใกล้วัดเชตวันแล้วพากันลงไปอาบน้ำในสะพระเทวทัตลุกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดิน เท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเขา่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจะลดถึงพื้นเทวทัตได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสาเร็จมาจากบุญ ภาพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระาศาสดาทรงเห็นฐานานี้วงเล็บคือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายจึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวชถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นครือัดจะทากำหนักยิ่งกว่านี้ จกไม่ได้ทำปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทำกํรหนักก็จริงก็สามารถทำปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปจเจกับพุทธเจ้านามว่าอัติศะพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจีถูกไฟนรก คือในอเวจีมหาดรกไม่อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในอเวจีนั้นนานแสนนานภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าภาษาสดาจมดินเสียแล้วภาษาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้วเหมือนกัน ดังนี้แล้วทรงแสดงสีละวะนาคชาดกสมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพลานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พราหมณ์นั้นกลับมาตัดงาเสียถึงสามครั้งและถูกแผ่นดินสูบหากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตันยูก็ให้เขาพอใจไม่ได้ทรงแสดงชาดก อ, อื่นอีกเช่นขันติวาที ชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาธีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุจุลธรรมปาละชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุนลธรรมปาละพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะล้วนแต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสูบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมโหรสพ พรางกล่าวกันว่าเป็นลาบของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไปภิษสูตทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระศ า, าสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิ่งคละชาดกว่าด้วยเรื่องพระเจ้าปิ่งคละผู้ครองนครพระราีเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหรสศพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องให้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิ่งคลระนักหรือเขาตอบว่าพระราชาปิ่งคลระผู้มีพระเนตรไม่ดำหาเป็นที่รักของข้าพระเจ้าไม่แต่ข้าพระเจ้าร้องให้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว จะพึงไปเบียดเบียนพยามัจจุราชมัจจุราชลำคาญเข้าอาจนำพระองค์ากลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัตไปที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าไปเกิดในอเวจีมหานารกแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทําบาบย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นดังได้พรรณนาไวแล้วแต่เบื้องต้น